แล้วพระองค์ยังมีมงคลต่อไปอีกอีกอ ก, ก็คือขันตีจะพระองค์ม่มีความอดทนเหมือนกับแผ่นดินนะหรือเหมือนกับเขาเมรุมาตรนะคือในบรรดาสิ่งที่มีความอดทนทนถึงที่สุดสุ ด, สดทนกันนะถึงจะสุดจะทนเนี่ยนะหมายความว่าคนธรรมดาทนไม่ได้แม้กระทั่งอย่างเช่นบำเพ็ญทุกขะกิริยาถ้าคืนต่อไปอีกนิดเดียวตาย เ่าอีกนิดเดียวเนี่ยนะหมายว่เหมือนกับวอลลุ่มอ่ะถ้าเร่งว่า น, นั้นอีกก็ขาดหมดแล้วผมว่าเหมือนเครื่องเสียงเลยถ้าเร่งวอลลุ่มเกินขนาดนิดหน่อยก็ขาดหมดละกระจายหมดละเหมือนกับความร้อนของรถถ้าวิ่งเกินกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหม้อน้ําระเบิดเลยฉันได้พระ อ, องค์เนี่ยก็รู้นะว่าที่พระ อ, องค์บำเพ็ญเพียรถ้าคืนต่อกว่านี้ชีวิตจะหามไม่พระ อ, องค์ทนได้ขนาดนั้นทนได้เจียนตายบ่า ง, งั้นนะทนได้เจียนตายถึงขนาดว่าลูบท้องถึงหลังลูบหลังถึงท้องไง น, นะ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 มีมงคลอีกอันหนึ่งก็คือโสวจัสตาเป็นผู้ที่แนะนําง่ายแต่ว่าพระองค์ไม่มีบุคคลเหล่าใดต้องไปแนะนําแต่ถ้ามีคนอาราธนาพระองค์ถ้าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์จะไม่ห้ามพระองค์ก็จะอนุญาตแต่ก็ห้ามเป็นพิธีการเป็นธรรมเนียมห้ามหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามก็จะรับจะรับคํางนั้นพระองค์นีเป็นผู้ที่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 มีพระพิกษุผู้เจริญโพธิปัจขยธรรมทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนในสมภิสูรรูปนั้นเนี่ยเป็นหมื่นรูปไม่มีปุตุชนอยู่เลยอย่างว่าถ้าจะว่าต่ําสุดก็คือพระอนุนเนี่ยเป็นหมื่นรูปนะพระองค์บอกว่าไม่มีสมณะแกลบอยู่ณนะที่นั้นเลยปุตุชนเขาเรียกว่าสมณะแกลบเหมือนในสูตรนั้นนะสมณะแกลบก็คือเมล็ดไม่มีเม็ดในเหมือนั้นไม่มีปุตุชนเลยผู้ที่มีคุณอย่างต่ําที่สุดก็คือพระโสดาบันท่านเหล่านี้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 ถ้าพระองค์สนทนากับอัคราสาวกแล้วเขาบรรลุพระองค์ก็สนทนาธรรมหรือสนทนากับพระพุทธเนระมิตรแล้วเขาตรัสรู้พระองค์ก็ในระมิตรพระพุทธเนระมิตรแล้วพระพุทธเจ้าสนทนากันบางคนนี่วิจิตนะถ้าพระพุทธเจ้ามาองค์เดียวไม่บรรลุต้องมาสองอ ง, องมีพระพุทธในระมิตรมาด้วยโอ้ยอะไรจะวิจิตเท่ากับอัจยาสายสัตว์ไม่มีอีกแล้วเนี่ยวิจิตจริงๆเลยนะ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 เขามีอาริยะคุณพอที่จะเป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นคนที่ยังเห็นความดีของศักด์ทั้งหลายแล้วก็สงเคราะห์เขาให้เขาเจริญได้จริงๆฉะนั้นเขาจะตรัสรู้เขาจะบรรลุเขาจะได้ดีได้เพราะการสนทนาพระองค์ก็สนทนาและพระองค์ก็ยินดีที่จะสนทนากับผู้มีศีนลนะยินดีที่จะสนทนากับพระอริยเจ้าฉะนั้นต่อไปเนี่ยพูดถึงตบะเนี่ยนะผู้ที่มี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 ก็ไม่ใช่อ น, นิสงค์คือลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญหรือไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไว้คอยแก้ลัที่อื่นๆหรือเป็นคำว่าเป็นาศาสดาตั้งตนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ที่แท้พรหมจรรย์ของพระองค์เป็นไปเพื่อสังวรนเป็นไปเพื่อปหาณวิราคะนิโรธพรหมจรรย์ของพระองค์เพื่อพระนิพพานในบรรดาผู้ที่เห็นอริยสัจโดยแง่มุมต่างๆอนนะัสโสดาปฏิ โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลมีกี่พันในพระองค์ก็เห็นหมดนะเห็นอริยสัจกองทุกมีแค่ไหนพระองค์ก็รอบรู้สิ้นเชิงสมุทัยมีแค่ไหนขนาดไหนพระองค์ก็รู้หมดอริยมัตจะมีกี่พันในสหัสไนเป็นต้นหรือไ n ย a h a ที่สุดไม่ได้พระองค์ก็เห็นหมดสกทาคามิมกักอนาคามิมกักจนถึงอรหัตตมักอริยสัต์เหล่าใดที่ควรรู้ควรเห็นพระองค์รอบ ร, รู้ทั้งหมดนิพพานะสัจฉิกิริยาพราะองค์จึงทําอรหัตผลให้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 หรือแม้กระทั่งที่เมืองสาวัตถีนี่แหละเมืองที่พระองค์ประทับอยู่นานอยู่เมืองนั้นพระองค์ถูกด่าไหมถูกด่าอยู่ทั้งหลายวันกรณีนางสุนทรีเนี่ยนะกรณีนางสุนทรีปริภาชกปริภาชิกาเนี่ยนะแล้วก็กรณีของนามนาง ม, มาคันธิยาในช่วงหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆกรณีที่เดรธีประโคมข่าวฝันพระองค์ก็ถูกด่าเหมือนกันเหมือนกันเถอะแต่พระองค์ก็มีจิตใจไม่จิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ท, ทั้งหลาย น, นะ่ยนะ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 ไม่เสียใจด้วยโทรศัพยามที่พระองค์ได้ข่าวว่าจะสิ้นพระชนของเราถ้าถ้าไปตรวจก้อนอะไรเจอสักอย่างบอกอีก3เดือนตายเนี่ยนะอาจจะอยู่ไม่ถึงหรอกอาจจะไปก่อนเนี่ยนะโรคช้าใจมันทาไปตายก่อนนะเนะี่ยเพราะอะไรเพราะจิตใจที่หวั่นไหวพระองค์นี้ไม่หวั่นไหวในบรรดาผู้ที่ไม่มีความโศกเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะพระองค์ไม่มีความโศกความโศกย่อมเกิดจากความรักใครย่อมเกิดจากความรัก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 อันหนึ่งที่เราควรจะได้คือได้ความรู้ความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนังก ร, ร, งกรพระพุทธเจ้าทีปังกรโกนธัญะมังคละสุมานณะเรวตะโสพิตะอะนะโสพิตะเป็นต้นจนถึงอ น, นมาาุมัสสีอัถฐัสีธรรมสัสสีปิยะทัสสีอะนะ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 ปฏิบัติการบูชาด้วยวัตถุบางชาต์เน้นพิเศษคือบูชาด้วยผ้าบางชาต์พิเศษบูชาด้วยข้าวน้าบูบางชาต์ก็เน้นพิเศษบูชาด้วยเศนาสนะหรือเพศัตรแต่พระโพธิสัตว์นั้นบูชาด้วยปัจจัยสี่ดอกไม้ของหอมประทีพโคมไฟทุกชนิดแหละสุดที่จะทำได้วังนั้นสุดแท้แต่จะหาได้ทำได้บางชาติก็สละชีวิตเป็นพุทธบูชาสละบูชาด้วยการรักษาศีล